ต้นสาธชรพมุทบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทบริษัทสำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนใบ่ลานเปล่าคำว่าเถนแม่นลานเปล่าก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ ค, คือเรียนรู้มากรู้พระไตรปิฎกแต่ปาก เราว่าจริยาไม่เคยประพฤติตามพระตรปิฎกแต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สมัยนี้หรือว่าไม่ได้มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีดังนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ในวะเชตวันและทรงปรารบพระเถระที่มีนามว่าโปดิฐะขอโทษนะโอธิละโอธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาวเวเป็นต้นเนื <c oughs> ้อความก็มีอยู่ว่าท่านเลี้ยงหัวข้อบอกว่ารู้มากแต่เอาตัวไม่รอด หรือว่าพูดตามภาษาไทยว่ามีความรู้ทุ่มหัวแตลตัวไม่รอดไอย่างนี้มีมากฟังแล้วก็เดี๋ยวก็ประคูทีหลังเป็นข้อคิดเรื่องนี้สั้นๆท่านกล่าวว่าพระอนนท่านบอกอย่างนี้ว่าดังได้สดับมาแล้วแดดแบบนี้อย่างนี้คือพระอานุนในเวลาที่ท่านจะพูดอะไรท่านใช้คำว่าเมสุตังอีกังสมัยอย่างพระกวา ว่าเขาไปเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสัมัดว่าอย่างนี้ถ้านไม่ได้บอกว่าฉันรู้อย่างนี้ฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนี้แล้วก็พระอน์นี้ก็เหมือนกันเป็นพระที่มีความรู้มากทรงพระตรปิฎกได้สดับคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงที <c oughs> ่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระอุ้สูตรคือสดับมาก จำได้มากแต่ว่ามีความประพฤติดีไปที่ไหนก็มีแต่การถ่อมตัวไม่ยกยงไม่ยกตนข่มท่านนี่เป็นจริยาของพระที่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามกับพระโปธิระพระโปธิระนี่สมัยก่อนทำไมเด็กเทระเทระเข้าไปเป็นพระผูใหญ่ เรียกพระโปธิละมีิเ่อมีความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดคําว่าตัวไม่รอดก็หมายความว่าไม่พ้นอมายาภูมิอันนี้สําคัญต้องคิดนะตามมะบาลีท่านบอกว่าดังได้สดับมาพระโปธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรวิฎกในพระพุทธศาสนาคือในศาสนาพระเจ้าเจ็ดพระองค์ นี่หมายความว่าเกิดแต่ละชาติเนี่ยความทรงจำดีมากสามารถทรงพระตริดกได้คือว่าในระหว่างที่พระพุทธเจ้าเจ็ดองพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หที่เจ็ดมาแล้วทุกชาติที่ท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าท่านมีความทรงจำดีคือมีสัญญาดีปัญญาน้อย ให้สัญญาแล้วแต่ความจำจำแล้วก็ไม่นำไปประพฤติธปฏิบัติไม่ได้มีปัญญาที่จะไปใช้ใเกิดประโยชน์แล้วก็ในแต่ละสมัยก็เป็นอาจารย์ครูสอนธรรมคืสอรรคสอนพระไตรปิฎกกำบรรดาพระห้าร้อยรูปมาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคนี้ก็เหมือนกันถ้ า, าเกิดในระหว่างนี้ แล้วก็ใสความดีที่เป็นยาดีเห้ยทรงมระไตรวิกมาก็มาเป็นพระทรงมระไตรวิฎกอีกแล้วก็มีรูปสิษย์ลกหารวมทั้งแล้วห้าร้อยรูปไม้ความโรงเรียนที่ตั้งสอนน่ะพระจะต้องมีจำนวนเต็มห้าร้อยรูปอยูเสมอป็นบริวารจะเป็นลูกศิษย์แต่ได้บอกว่าพิสูจน์นี้ย่อมไม่มีแม้แต่ความคิด ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำสลัดออกจากทุกข์กรตุกเราจะายังเธอให้สังเวชที่เป็นความดำริกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงรู้ว่าพระโพธิละเป็นผู้ทรงพระเตพีดกแต่ว่ามีแต่สัญญาขาดปัญญาอย่าลืมนะ สอนใครก็สอนสอนตามแนวเห็นพระตรวิดกก็รู้สึกว่าสอนดีไม่แยกแนวสวรรค์มีไหมท่านบอกว่าพระตรปิดกยืนยันว่ามีพอมาโลกมีไหมพระตรปิฎกยืนยันว่ามีนิพพานสูญไหมนิพพานไม่สูญนิพพานนางประมังสูญอย่างนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่ง้ ไ, ไหมายความว่างจากความชั่ว มานะทิฏฐิไม่มีความชั่วนิดหนึ่งไม่มีนิพานนางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิง่งถ้านิพานมีสภาพศูนย์นิพานก็ไม่มีคําว่าสุขเพราะว่าไม่มีอารมณ์รับสัมผัสการที่รู้ว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสแในเมื่อมีอารมณ์รับสัมผัสสภาพนั้นไม่ศูนย์แต่ว่าจิตศูนจากความชั่วจิตครบแต่ความดีจึงไม่รู้เป็นสุข ท่านบอกว่าจําเดิมน แ, แต่นั้นมาสมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าย่อมตรัสกับพระเทระคือโปธถิระว่าในเวลาที่ท่านปธถิระเข้ามาหาเข้ า, ขามานำบัต ก, การเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่าเรือมาเถิดพระเทระโคตทรงใบลานเปล่าให้คําว่าเถเนี่ยเทระก็แปลว่าพระผู้ใหญ่ ถ้าเถนนะคือใช้นโนสะกดก็แปลหัวก็หมยถ้าใช้รอเรสะกดฎท้อระเอท้อทงรอเรสกดเขาเป็นแบบเทนตัวนี้แบบผู้ใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าก็ส่งยู่อเพิ่มให้รู้สติเวลาที่ขั้นแท้งกัไปเฝ้าบอกนี้พอเทนไม่รันเปล่าเชิญมานี่ได้เชิญมาเถ้าเจ้าพอเทนไม่รันเปล่าเวลาที่จะกลับพระพุทธเจ้าก็สรงตัด ว่า ina, ยัางไงคุณไปลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเทศไม่ลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเทระไปลานเปล่ากลับไปลหรือเอ้าจงไปเถอะให้มีความสุขไปเถอะคุณไม่ไปลานเปล่าไปเถอะเทศไม่ลานเปล่าแล้วก็ท่านบอกว่าแม้แต่เวลาที่พระเทระลุกไปก็ถัดว่าคุณไปลานเปล่าไปแล้วหรือพระโปธิละนั้นโดนเขาหลายรอบ ยิ่งมานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะให้เรานี่ก็มีการศึกษาดีอย่างนี้นี่นะสามารถทรงพระแตวีดกได้พร้อมทั้งอัตกถาคําว่าอัตกถาคือว่าคําสอนพระเอกเจ้าทรงเรียกว่าบาลี <c oughs> นี่คําอธิบายพระแตวีดกที่อธิบายออกมาก็มีความพาใจเรียกว่าอัตกถาแล้วก็สามารถสอนทำรรกับบรรดาวิสูตรั้งห้าร้อยรูป และในพระห้าร้อยรูปเนี่ยมีด้วยกันถึงสิบแปดคณะใหญ่แต่ว่าทํำไมสมเด็จพระพูทมีพระพ่อเจ้าเจ้าเรียกเราเนืองเนืองบ่อยๆเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าที่ไรก็เห็นไม่รันเปล่ามาแล้วหรือเห็นไม่รันเปล่าไปแล้วหรือเป็นอย่างนี้เสมอท่านก็คิดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางเรียกเราอยู่ยหนึ่งๆว่าคุณเบลลานเปล่าท่านคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีคุณวิเศษในความหมายว่าเรามีแต่ความรู้ในตัวหนังสือแต่เราไม่มีคุณธรรมพิเศษคือไม่มีฌานปิณฑนแน่แท้ไต้ความจริงก็เป็นอย่างนั้น ท่านทรงพระบิดาดกตามสัญญาที่จำแต่ปัญญาหรือวิทยะหรือปัญญาก็ดีความเพียงก็ดีที่จะทำจิตให้ว่างและตงับจากนิวรห้าประการเมอแต่ฌานเบื้องต้นคือวัตุมัชฌานก็ไม่มี <c oughs> นี่เราบรรดาเพื่อนวิโสสมันเลนจำให้ดีนะถ้าแม้แต่ฌานก็ไม่มีมีหวังลงนรกแน่นอน ให้การที่จะเรียนรู้มากๆว่าี่มีการคุ้มตัวเด็ดเลยถึงแม้มีฌานโลกีก็เป็นกันแต่มีฌานโลกีอย่างวัตถิวทัฏก็ยังลงนรกเลยนี่ไม่มีอะไรเลยก็ไปเบ่งเขาว่าฉันเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นเรียนจบพระไตรปโดกชั้นเรียนจบอัจฉริยไม่มีใครสามารถจะโู่ชั้นได้ตัวนี้เป็นมานะกิเลสฉะนนั้นบรรดาท่านทั้งหลาย ที่ได้นักทำตรีได้นักทำโทได้นักทมเอกหรือว่าเป็นป ร, ริญญาแล้ได้ปริญญาก็จงตัวตัวอย่างพระโพติละพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องสรรเสริญกับทรงธรรมเนียร์ไม่รู้สึกตัวว่าไอการรู้แค่หนังสือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะมีมานะกิเลสทิ้งตัวถือตน ทำตนให้เป็นคนเลวเอ้ยตัวอย่างคุณจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจา้าแในสมัยนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าพระโพธิรัน์ในทางดีนะถ้าไม่ฝืนพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแล้วเอาที่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระศีลคงจะมีแต่สมาธิในขั้นฌานสมาบัติไม่มีอริยมรรคผลไ ม, ม่มีก็เจ้งกันคนเท่านี้นะ ต่อมาท่านบอกว่าท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเองรู้สึกสลดใจสังเวชเนี่สลดใจจึงคิดว่าบัดนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าทรงติเราอย่างนี้เราจะไปสู่ป่าไม่เอาแล้อยู่บ้านอยู่เมืองไม่เอาแล้ ว, เ, เ, ลวเป็นครูไปาจารย์ใครเขาไม่เอาแล้วเราจะไปป่าแล้วก็ไปทำสมณธรรมทำฌานให้เกิดขึ้น ตักกิเลสที่เป็นสมบัตเิเหตุอรหรันต์อย่างเร็วๆยังไงยังไงชาตินี้ต้องเอาอารหันต์ให้ได้เกิดมีอารมณ์ดีขึ้นมาที่หมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลถอยหลังอกุศลเข้ามาแสกใจจึงได้จัดแจงบาตรจีวรเมื่อพร้อมแล้วก็ออกไปพร้อมไปด้วยกับวิโส ก็ออกไปป่าพร้อมกับบรรดาพิโุลูกศิษย์ที่เรียนทำกับท่าน mm. แต่ว่าไปภาที่หลังเขาหมายความว่านี่หนังสือทั้งเอาว่าย้อนดันๆบอกว่าพร้อมแล้วปอไปที่หลังอันนี้ไม่เป็นเรื่องหมายความลูกศิษย์ที่เรียนเรีกับท่านจบพระเจดวิโดกต่างคนต่างก็เข้าป่ากันไปเป็นแถวแต่ว่าตอนโพธิละเพิ่งจะมารู้สึกตัวย่องไปที่หลังไปเวลาใกล้รู้ อนนี้บรรดารูปสิทุขหาที่ท่านไปอยู่ในป่าเมื่อท่านจบพระแต่บิดกท่านศึกษาพระกรรมาฐานกับพระพุทธเจ้าท่านเรียนแล้วอย่าลืมท่านเรียนจบพระตวบิดกเจ้าดีไม่ได้ <c oughs> ไปศึกษากรรมาฐานกับพระพุทธเจ้าท่านลาไปลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าไปทําแล้วไปอรหันก็เป็นแถวเป็นเบกีหน้าศกหมดวิรศกคือพระอาหารหันต์ตอนนี้ก็ เมื่อท่านเข้าไปถึงบริเวณป่าไปาที่บรรดาพระสงฆ์นั่งพักนั่งพักผก่อ น, นด้วยกันท่านกำหนดไว้ว่าอาจารย์อะไรบาลีอาจารย์รราารยพระเทเรไปสิ้นสองพันโยต์แล้วบาลีเองแลวเธอเนี้ยใช่สับรวมความท่านเดินทางไปไกลแสนไกลถึงที่สุดที่ที่ต้องการจะไปเข้าป่าลึก ให้สองพันโยต์เี่ยผมไม่แน่ใจเดินไปยังไงแล้วก็เข้าไปหาพิสุสามสิบรูปที่พักอยู่ที่นั่นท่านใช้ถ้าเป็นที่อาศัยบ้างปูกกรท่อมน้อยๆเป็นที่อาศัยบ้างเอาไม้ที่หักที่โค่นแล้วมาทําเป็นเสลาเป็นที่ประชุมกันบ้างที่นั่นมีสามสิบอสามสิบองค์ผู้อยู่ในอาวาสที่ป่าแห่งหนึ่ง แล้วท่านโปธิละเข้าไปไหว้พระสังเถระคือพระพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดที่นี้บอกว่าท่านพูทเจริญขอรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมได้เถิดนะดีมากๆลดมานาทิฏฐิพระสังเถระคือท่านโ ม, มีอายุมากไป็นน ห, หน้า <c oughs> ท่านเป็นธรรมกถถึก ถ้าท่านพระสังฆเทราไปอรหันเนี่ยจะได้กล่าวกับพระโพธิราว่าที่ท่านผูวมีอายุอาจารย์ท่านเป็นนักเทศท่านเป็นทั้งว่าถือท่านเป็นครูศอนธรรมะต่างๆที่พวกผมรู้นี่ก็เรียนมาจากท่านอะไรลนะครับที่คิดว่าท่านไม่รู้และท่านไม่ทราบที่ท่านต้องการอาศัยผม ชิ้นนั้นมันไม่มีความรู้ทุกอย่างของเรียนไปจบกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะาผมเี็นพึ่งได้ยังไงท่านโพธิาะก็บอกว่าท่านโพเจรินขอท่านจงอย่าทําอย่างนั้นขอท่านอย่งเป็นที่พึ่งกับผมเถิดขอรับขอีท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าปัรดาพระอรหาันท่านไม่โง่เนี่ยขรับ เห็นว่าโพธิรักยังมีมานะทิฐิอยู่ก็เมื่อก่อนนี้มีมานะทิฏฐิเที่ยวไปอัจานใหญ่ตอนนี้ท่านก็นไม่แน่ใจว่าการคลายมานะทิฏฐิเนี่ยจะไปไหวหรือไม่ไหวท่านก็ต้องทดลองหรือทรมานต่อไปพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคือขีนน้ำศพลำดับนั้นสมหาเทระคือพระพระผู้ใหญ่ที่สุด ยังบอกว่าสำนักผมเนะี่ยที่ผมเองเนะี่ยไม่สามารถจะสงเคราะห์พระคุณเจ้าได้ยังไงเพราะเป็นครูบาอาจารย์น่เป็นการหนึ่งความรู้ที่นำมาประพฤติปฏิบัติผมก็เรียนมาจา ก, กท่านผมท่งทุ่ช่วยไม่ได้ครับผมไม่มีความรู้พอที่จะสอนท่านได้กุณนาไปหาพระองค์อื่นเถอะและถ้าก็ส่งไปส่สำนักของอนุเทระคือพระเทระผู้ใหญ่ที่รองรองลองไป ตามที่จะส่งไปคิดว่าท่านคิดว่าพิสูจน์นี่มี m a n ะเพราะอาศัยการเรียนมากแม้แต่พระอนุเทระบรรดาพระเทระทั้งหลายที่รอรอง ล, อ ง, ลองมาก็กล่าวกับพระโพธิละว่านี่อาจารย์ผมสอนท่านไม่ได้เราขอรับ <c oughs> ผมมีความรู้น้อยทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาจากพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าไปหาพระองค์อื่นเถอะ ท่าก็ส่งต่อต่อต่อกันไปทูรงความพระสามสิบรูปไม่มีใครยอมเป็นครูพระบทโธทิละองค์สุดท้ายบากอกกับโตาจารย์ครับถ้าจะศึกษาจริงๆต้องการที่พึ่งก็มีสมณะเนรผู้ฉลาดอยู่องค์หนึ่งพวกผมเนี่ยมีความฉลาดโซเนตรงนั้นไม่ได้แนวนี้เมยจิตขวบครับแล้เาเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันต แล้วก็เป็นผู้บทมาไปหาอนันต์คนแล้วกันอรรดาพระสงฆ์นั่นหลายเจ้าส่งไปหาเนนที่บทใหม่ที่สดจะเรียว่าบทใหม่ที่สุดแต่ก็เป็นอดหันแล้วถ้าเป็นอดหันแล้วพระเจ้าทรงเรียกว่าพระมหาเทระไปถึงเนนกําลังเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเทระนั้น ทัางหลายก็นำมาณะกอท่านออกได้โตบายอย่างนี้ค่ะทอยาลีไม่น่าเลยเมื่อพระโพธิละนั้นเข้าไปหาสมณเณรก็มาบอกไปยกมือไหว้ขอร้องเพราะพระ อ, อาจารย์สมณเณรครับอาจารย์ได้โปรดสงสนเคราะห์สมณเณรสงเคราะห์ผมด้วยเถิดช่วยเป็นที่พึ่งผมด้วยเถิด เสมาเนยบอกโอ้ตายแล้วอาจารย์ตายจริงอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านจะเป็นท่านเป็นคนแก่ท่านเป็นผู้ผู้สูตรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์ทําไมอย่าคอยผมเป็นที่พึ่งผมเป็นไม่ได้เดีวก็รับท่านโปทิละก็บอกว่าท่านสัจบุรุษท่านอย่าทําอย่างนี้เลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดเสมาเนยก็ถามว่าท่านก็รับ หากท่านจะเป็นผู้อดทนโตอ ว, วดัดผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเ hey, <c oughs> นเนนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา <c oughs> ท่านโพธิละก็บอกว่าผมเป็นผู้อดทนได้แต่สวดอดทนได้แน่เมื่อได้กล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมจะเข้าไปสู่กองไฟไม่จะตายก็พร้อมยอมหมายควาผมผู้อดทนนั้สั่งยังไงผูจะปฏิบัติตาม บอกเอาวิ่งเข้าไปโดดเข้าไานั่งกองไฟผมพร้อมเนี่ยก็ไปนั่งสช้วนเนรยิงทดลองความรัดลดปรรทิกทิก็บอกว่านี่อาจารย์ครับโนวลสระน้ำถ้าอาจารย์ต้องการผมไม่ได้พิ่งจริงๆกรุรณนานลงมาในสระน้ำานะยครับแต่ความจริงเวลานั้นทำโปรตีละทมจีวรสองชัน้นจีวนสองชั้นมีความหนักถ้าถูกน้ำจะหนักมาก เมื่อสมณเณรสั่งแท่งกัลละมานาทิถียอมยอมแพ้ว่ายอมปฏิบัติตามเดินลงไปจะลงน้ำจะลงสาดน้ำจริงๆพอจีวรจุมนิดเดียวสมณเณรบอกว่าคุณเจ้าเขากลับมาได้ขอภพยด้วยหลังจากนั้นพระสมณเณรก็แนะนำให้พระโพธิละจับอารมณ์อยู่นิดคอฟังให้ดีนะครับ ถ้าบอกมาเถอเขารับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคาว่าคำเดียวว่าท่านผู้เจริญในจอมปลกูกแห่งหนึ่งมีช่องโยกช่องจำไม่ดีนะครับในช่องเหล่านั้นเหี้ยเข้าไปอยู่ภายในโดยช่องหนึ่งหนึ่งคือช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่ง บุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเสียแล้วก็เปิดไปช่องหนึ่งคือช่องที่หกแล้วก็ทําลายช่องที่หกไม่ว่าเฮียมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ในที่สุดบรรดาเฮียทั้งหลายเหล่านั้นก็จะอ ย, ยู่โดยเราจะ เ, เหมือนกับให้บรรดาช่องต่างๆก็คือทวารที่หกท่านจงปิดทวารห้า ทวารห้าปิดเสียให้เหลืออยู่ทวารเดียวคือทวารใจเริ่มเริ่มบริกรรมในใจคือการภาวนาและพิจารณาด้วยในยมีประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีแก่ท่านผู้เป็นผู้สุดเพราะโพธิละก็กล่าวว่าเอานลครับพอแล้วครับผมเข้าใจผมจะปฏิบัติตาม ท่านท่านสัตว์วรุษผู้มีพระคุณเห็นไหมท่านตัดมานะทิฐิันนเด็นอายุเจ็ดปีท่านหมดมานะจริงๆริ่แม้แต่ยกมือไหว้เท่ากับพร้อมทาเ <c oughs> ท่านี้ก็พอแล้วครับผมเข้าใจแล้วจึงใช้ปัญญาอย่างลงชาญอย่างชาญลงในกระเจากายคือพิจารณาร่างกาย ประรบสมณธรรมให้ว่าร่างกายเนี่มีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเต็มด้วยความสุกระกโกรโครกมันไม่มีอะไรทรงตัวรู้เพราะแต่วิดงแล้วคล่องตัวมีความเข้าใจเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าประทับอยู่ไกลร้อยยี่สิบโยชนทอดพระเนตรเห็นพิสุนั้นแล้วดำริว่าพิสุนี้ผู้มีปัญญากว้างขวาง ดูจเป็นดินโดยการดาแลการที่เธอตั้งตนไว้โดยรการนั้นนั่นแหลย่อมสมควรยังได้ทรงเปล่งนสหมิไปชับพะนางสีนะเหมือนกับพระองค์วัพน์อยู่ข้างหน้าแล้วกล่าวว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความสิ้นไปปัญญาเพราะการไม่ประกอบคือไม่คิดไม่ไข่ครวญไอ้การประกอบ ปัญญาจะเกิดเพราะคิดเพราะให้คนเพราะทบทนหาความจริงปัญญาจะสิ้นไปเพราะการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงือการประกอบท้าบัณฑิตคือผู้รู้ยองรู้ทางสองแพร่งเห็นความเจริญและความเสื่อมขอท่านจงตั้งตนไว้โดยาการที่ปัญญาจะเจริญได้ เว่าสมเด็จพระจอมไตรพรมศาสนดาตระกูลนี้ท่านก็ไข่คนตามในวิสดท์ท่านก็บรรลุอรรถผลเป็นอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อท่านนันลาจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรารู้จากกระดาษจากหนังสือที่ประเทศจีนมื่กี้เรียกอเมริกาวเสือกระดาษอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับ มันเป็นมานะถือตัวถือตนเห็นนักธรรมเอกเป็นบริญญาประโยชเรียกว่าเป็นอ่าเป็นปริญญาอะไรแ อ, อะไรก็ตามอันนี้แต่ถ้าขาดการปฏิบัติถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวลงนรกมีศีลบริสุทธิ์ยังไม่ได้ฌานโล ก, กีก็ยังไม่พ้นนรกได้ฌานโล ก, กีก็ยังไม่พ้นนรกอย่างเลวที่สุด ต, ต้องทําตนให้เป็นปโสดาบัน เราจะเป็นระโซดาบันได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญรักษารลมระโสดาบันไม่หนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายรายการที่สองมีความครพพบุตรเจ้าพระทำพระอริยสงฆ์ในความบริสุทธิ์ใจและรายการที่สามทรงสินตามสภาวะขตนให้บริสุทธิ์และกับรายการที่สี่การกระทําทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือมรรพาน อย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของะโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์เป็นของไม่ยากเอรันดาภาษาวโค อ, องสมเด็จพระผูทธมีพระภาคธรรมดายายโยมพุทธวิสัททันยานบอกเปนเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาเดพุตสาพนชนและเพื่อนิสุขสมเที่รักทุกท่านสวัสดี